ธรรมเทศนาแผนที่110ลำดับที่4โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่6กรกฎาคม2560มีชื่อเรื่องว่าป ร, รารถนาไม่ต้องมาเกิดหลวงพ่อออกจากวัดสองวันนะลูกหลานไปค้างที่กรุงเทพสองคืน ตั้งแต่วันที่สองตั้งแต่วันที่สามที่สามที่สี่ที่ห้ากลับเมา้มาเมื่อวันลูกหลานก็คงอยากจะถามว่าหลวงพ่อไปธุระกิจสาธารกิจเรื่องอะไรหลวงพ่อเองก็ได้ไปข่าวนี้คือวัน ประสูตรของของทุนกระหม่อมอย่างพวกเราท่านทั้ ง, งหลายได้เห็นในสื่อน่ะในโทรทัศน์คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงประธานหรือว่าพระพุทพรมรมราชานุญาตให้จัดงานที่วัดพระแก้วนะมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชและก็สมเด็จ พระวรรณรัตน์วัดโมวรแล้วก็สมเด็จวัดเทพศิลินแล้วก็สมเด็จวัดไตรมิตรทั้งหมดพระห้าสิบเอ็ดองค์แต่พระไปจากวัดของเราเนี่ยสมุดสิบรวมแล้วเป็นห้าสิบเอ็ดที่วัดพระแก้วในคืนวันที่สี่กรกฎาคมห0ศนหลวงพ่อเองฝ่ายพระ เป็นพระกรรมฐานพระป่านะตอนนะ่ะมีแต่ท่านจบฟ้าจบคุณพระครนท่านก็นั่งแถวหน้าแต่เราเป็นพระป่าพระดงนั่งอยู่สุ ด, สดท้ายหลังท้ายนะทั้งหมดละ6หอรูปนะพบทูนก็หม่อมปีนี้ท่านอายุห0สิบสิบสองห้าหกสบสิบหสบริบูรณนะ์ ปีเสร็จแล้วก็หลวงพ่อขึ้นฉันจังหันที่ศวนแสงธรรมเมื่อวานวันที่ห้าเพราะฉันจังหันบินทบาทฉันเช้าเสร็จแล้วก็กลับวัดเมื่อวานมาถึงวัดก็โอ๋บ่ายสองบ่ายสามกันนะเนี่ยศานกิจของหลวงพ่อไปตั้งแต่วันที่สมวันนี้เป็นวันที่หก กรกดาคมพุทธศักราช 2,560 พระใ น, ในวัดของเราขนาดนี้61รูปแต่ก็ยังไม่นน่งนะยังไม่นน่งคือยังไม่ได้อธิษฐานพรรษาพระยังขยับไปขยับมาได้อยู่แต่เข้าพรรษาและอธิษฐานพรรษาไปวันเน่งนะทนนี่ในช่วงนี้ยังไม่นิ่ง พร้อมที่จะออกจะเข้าจะออกได้ถึงยังไงก็ตามศรัทธาญาติโยมผ้าเนรูกหลานทุกคนผู้ไฟในคุณงามความดีใยในบุญในกุศลประกอบจิตภาวนาสำหรับพวกเราสรุปแล้วก็คือจะเป็นอะไรก็ตามก็คือ ไฟไฟในการบุญนาการกุศลนั่นบุญก็คือความสุขอขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านศรัทธาญาติโยมพระเหนลูกหลานช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลจวนจะเข้าพรรษาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวาวันนี้ก็เป็นวันที่หกวันที่แปดไม่กี่วันจะเป็นวันอัศราหาบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรหรือว่าโปรดปัญจวคีร์ทั้งห้าจากนั้นพระปัญจวคีร์ทั้งห้าก็ได้บวชในศาสนาในตามพระธรรมคมสอนของพระพุทธเจ้าเจ้าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแล้วก็ได้ตัดสรุปพระธรรม พระธรรมจากนั้นพระพุทธเจ้าได้นำพระธรรมมาสอนปัญจวคี์ทั้งห้าปัญจวคี์ทั้งห้าเกิดพร้อมครบเลื่อมใสศรัท ธ, ธาบวชขอบวชเจ้า่าเป็นพระสงฆ์เนียวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ครบบริบูรณ์วันที่แปดที่จะถึงนี่แหละเมื่อ 2,560 สปีให้หลัง จากน้นกวันที่9้าเป็นวันเข้าพรรษาเลยแ่เนี่เป็นมนาธิฐานพรรษาของพระแต่สําหรับโค้งโยมเข้าพรรษาได้ไหมถ้าโยมจะเข้าพรรษาได้คน่วยก็ได้นะโยมเข้าพรรษาคืออะไรโยมเข้าพรรษาก็คือตั้งจิตอธิษฐานแต่พระก่อนท่านอธิษฐานเหมือนกันนะอธิษฐานพรรษานะอธิษฐานพรรษาของพระจะอยู่นที่ ในวัดป่านาคบน้อยสามเดือนจะไม่ไปที่ไหนท่ามไปด้วยท่ามไปก็ไปด้วยสัตหะกรณิยะตามพระวินัยไปได้เจ็ดวันและต้องกลับมาอันนี้ไปด้วยสัตหะกรณิยะสัตหะกริยะคืออะไรพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้กก็กิที่มน จัตถายาโสมนิมนต์แล้วก็มีหลายอย่างอันนี้เพื่เรื่องพระวินัยนะสัตตหะได้แต่สัตตหะไม่ได้ก็มีมีแต่ให้ศึกษานะพระในครั้งพุทธกาลไม่มีโรงพยาบาลไม่มีโรงหมอเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยพระพุทธเจ้าไม่ให้สัตตหะนะแปลกตัวนี้ไม่มีวินัยให้ศึกษาดูนะแต่หลวงพ่อดูแล้วไม่มีจริงๆ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยในสัตธาห่าไปเนี่ยแต่ก็มีมีวิธีการถ้าองค์ไหนเจ็บไข้ได้ป่วยในพรรษาทำยังไงก็ให้ศรัทธาญาติโยมนิมนต์ข อ, อนิมนไปตรวจุกป้าไปรักษาร่างกายเราก็รับนิมนต์นิมนต์ของศรัทธาญาติโยมก็ไปไปรักษานี่ก็มีช่องทางเหมือนกัน แต่จะไปโดยลำตามลำพังไม่ได้พันสาขาดนีอันนี้ให้ดูนะศึกษาดูในพระวินัยพระวินัยก็คือกฎหมายนั่นแ ะ, ะแต่จะทำยังไงเพราะในครั้งพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้เราก็ต้องปฏิบัติตามตามที่พระวินัยของพระพุทธเจ้าบัญญัติอ่าแต่ก็มีช่องมีช่องมีช่องออกเหมือนกันนั่นะเหมือนกับกฎหมายนั่นะ อันนี้ก็คือการสัตตหะกรณียะของพระแต่ว่าส่วนหนึ่งของพระเนี่ยอันนั้นคือพระวินัยคือกฎกติกาไม่ออกนอกวัดแต่ส่วนหนึ่งที่พวกเราจะต้องทําพระองค์ไหนยังท่องหนังสือยังท่องสวดมนต์ไม่ได้เราจะท่องสวดมนต์อะไรในพรรษานี้อันนี้เราก็ตั้งอกทำใจสวดหรือสวดปฏิโมกย์ยังไม่ได้ เราก็ตัง้งอตั้งใจสวดพระปฏิโมกให้ได้ในพรรษานี้นะและอย่างแล้วข้าพระเจ้าจงถือเนชชิแต่พระในครั้งพุทธกาลก็คือท่านพระจักรกูบาลนะพระจักรูบาลเนนะี่ยถือเนชชิตลอดไตรมาสสามเดือนไม่เองกายเลยเอาอริยบทสามคือยืนเดินนั่งไม่นอน อันนี้ก็คือความเป็นมาของพระในครั้งพุทธกาลแต่ถ้าไม่เด็ดเดี่ยวจริงๆไปไม่หลอดเหมือนกันน ะ, อะพอนันต้องคิดดูให้ดีก่อนที่จะมาทำความภาคเพียรจุดไหนอพออธิษฐานไปแล้วโกหกตนเองต่อแหล่ไปต่อแหล่มาใช้ไม่ได้อันนั้นโกหกตัวเองเพราะนั้นการที่จะทำอะไรต้องคิดดูให้ดีซะก่อนเป็นไปได้ แล้วจะเป็นไปไม่ได้ก็ต้องมีความตั้งใจมั่นอธิษฐานคือความตั้งใจมั่นเราจะเอาอะไรในพรรษานี้เราจะอดนอนทุกวันพระแปดค่ำส5บห้าค่ำหรือเราจะอดนอนทุกวันพระส5บห้าคำเหล่านี้ละ่ะ ่เป็นหน้าที่ของพระลูกหลานทั้งหลายควรจะมีความตั้งใจมั่นแต่ว่าการอดอาหารกลางคืนเราจะไม่พูดคุยกับใครเราจะอยู่ตามลำพังคนเดียวเราจะเดินนั่งยืนเดินนั่งเท่านั้นจะไม่นอนโดยเด็ดขาดอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของพวกเรา่นะจะต้องตั้งจิตอธิษฐานอย่างไรในปรรษา สําหรับศรัทธาญาติโยมก็ที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าววันในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันไม่ให้ขาดนะได้ไหมเพราะเราเป็นพุทธศาสนิกชนตั้งจิตอธตถิฐานแ น, แน่ๆนะถ้าว่าไม่ตั้งจิตไม่อธิษฐานในจิตใจนะมันเลอะเรือนนะเออมันเลอะเลือนไปเรื่อยต่อไปก็เละเอะเทอะเหลยวไหลไปเรื่อย อ, อ ความถัดความจริงก็ขาดไปเพราะนั้นให้พวกเราถ้าจะทำอะไรก็จริงจังและจริงใจข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันข้าพเจ้าจะรักษาศีลข้าพเจ้าจะทําบุญตักบาตรทุกวันแต่ศรัทธาญาติโยมบางคนอ้เราก็อยู่ไกลพระสงฆ์ก็ไม่ได้มาบิณนบาตหน้าบ้านของเราอีกต่างหากเราจะทำอย่างไงเราก็อยากจะทําบุญอยู่ หลวงพ่อเขแนะนําเออเนี่ยอย่าเราเคารพนับนถือวัดไหนในละแวกนั้นหรือกับครูบาอาจารย์ที่เรารักเคารพนับถือเลื่อมใสถึงจะอยู่ไกลแต่ไม่ใช่วัดหลวงพ่อนะองค์อื่นพอหลวงพ่อเป็นผู้แนะนํำจะแนะนําเข้ามหาตัวเองไม่น่าจะถูกนะให้องค์อื่นเราก็ทําเป็นกระปุกขึ้นมาหมูหมากาไก่กระปุกเก็บเงิน เราก็เขียนชื่อเลยอันนี้ถวายวัดบ้านตาดอันนี้ไว้ถวายสมเด็จวัดปว ร, รสมเด็จพระสังฆราชกรว่ากันไปวัดไหนที่เรารักเคารพนับถือเริ่มใส่เขียนใส่ข้างกระปุกเออวันนี้เราจะทําบุญกับวัดปา่าบ้านตาดปะเออวันนี้เราจะทําบุญวัดถินหมักเป่งหลวงปู่เทศวันนี้เราจะทําบุญวัดหลวงปูเ่เลออียดวัดไหนที่เราเขียนเอาไว้ แล้วก็หยอดกระปุก อ, อวันนี้เราจะถาวายนมออกี่กล่องวันนี้เราจะถาวายกล้วยเตี๋ยวออวันนี้เราถา ว, ว, ยวายนกะล้วยน้ำว่าใบละเท่าไหร่เราก็หยอดลงไปเพราออกพรรษาแล้วก่อนนะ่ะนำจตุปัจจัยนนะั้ไปถาไวายวัดกูบาอาจารย์วัดนั้นเออในเงินใส่บาทนอกพรรษาในพรรษาออขอกูบาอาจารย์ เอาไปเป็นข้าพตถหารพระสงฆ์ต่อไปเนี่ยแหะท่านก็ได้รับปัจจัยนะั้นมากับท่านก็เออเอาเอ า, เอ า, เอาข้อลงครัวนะอา่าเป็นปัจจัยศรัทธาญาติโยมเขามาใส่บาตรเลี้ยงเอ่ถวายพระสงฆ์เอาเป็นข้าพตถหารพระสงฆ์นะการล้วนแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกเราทั้งนั้นแต่เอาเถอะเราจะทําเป็นภาพรวมก็ได้นะ บ้านครอบครัวของเราเราทําบุญเวลาไปการไปงานงานศพก็ดีงานแต่งงานก็ดีงานเงือขึ้นบ้านใหม่ก็ดีงานวันเกิดผู้สูงอายุตระกูลของเราก็ดีเลยเราก็ตั้งโต้ขึ้นมาอีกในโต้นี้โต้ทําบุญในครอบในครอบครัวของเร า, เาจากนั้นเราก็เออเอาใครลูกหลานผู้ใด ได้เงินเดือนมาเออเอาเดือนนี้เราจะทําบุญเท่าไหร่สิบบาทยี่สิบบาทร้อยบาทหย่อนลงไปในตู้แต่พอมีงานขึ้นมางานแต่งงานหรืองานบุญพูกพ่อแม่ก็เปิดตู้ออกมาหรืเอเอาไปทําบุญร้อยบาทสองร้อบาทห้าร้อยบาทพันบาทก็สุดแท้แต่เราไปทําบุญอันนี้ตําบลในตระกูลหรือในครอบครัวของเรา ถ้าเราใฝ่ายในการบุญการกุศลมีช่องมีทางทั้งหมดนะคณะ ท, ะทายาทโยมถ้าว่าพวกเราไม่ใฝ่ายในการบุญการกุศลถึงยังไงมันก็มันคิดไม่ออกนะแต่เมื่อเราใฝ่ในการบุญการกุศลบุญกุศลนั่นแหละจะเป็นเครื่องเครือกุลหนุนพวกเราเกิดในภพใดชาติใดพวกเราจะไม่อดอยากเพราะเหตุใดเพราะอันิี้สงทานถ้าว่าเราไม่ยินไม่ทําบุญทําทานจะเลย ทำอะไรมันก็ตกตกรล่นหลนะไม่เจริญงอกเงยเป็นอันใสงทานเป็นพรังพรังอยู่ในจิตใจของพวกเราพรังลึกๆอย่างพระพุทธเจ้าของเราท่านจะไปท้าสถานที่ใดไปในที่กันดานที่อดอยากที่กันดานท่านขอสีวลีไปด้วยกับเราไหมไป เอาไปซิวอรีไปแล้วไม่มีปัญหาพระซิวอรีเป็นผู้มีลาบมากไปใ น, นสถานที่ไหนไม่เคยอดอยากพ่ออะไรเพราะพระซิวอรีเคยทําบุญเคยทําบุญไว้ในอดีตชาติเป็นผู้มีปารถนาให้ให้มีอัติเลกลาบเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือการทําบุญทั้งนั้นแหละสร้างบุญสร้างกุศลถ้าเราไม่มีบุญไม่มีกุศลในจิตใจแล้ว ไปอยู่ณสถานที่ใดก็ลำบากนะเพราะฉนั้นให้พวกเราทุกทุกท่านนะคณะสัตยาธิโยมันนี่คือการสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลถึงจะมีบุญมีกุศลขนาดไหนก็เถอะก็ไม่พ้นไม่พ้นความตายเนี่ยจุดนี้เลยพวกเราเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายในที่สุดถึงจะมั่งมียากจนขนาดไหนก็เถอะแต่ก็ต้องตายแต่จะทํำยังไงจึงจะไม่ตาย จึงจะหนีพ้นจากความตายไปได้จุดนี้ต้องศึกษาเรื่องต้องภาวนาตัวนี่พระพุทธเจ้าทว่าถ้าว่าหนีจากความตายต้องภาวนาเท่านั้นหลบอย่างอื่นหนีอย่างอื่นหลีกลี่ยอย่างอื่นหลีกลี่ยห น, นีได้แต่หนีความตายหนีไม่พ้นจะไปอยู่นสสานที่ใดก็ไม่มีใครที่จะหลีกลีนน่หนีพ้นไปได้ต้องภาวนาตัวเลยอันนี้ก็ต้องศึกษาเหมือนกัน เพราะวิชาในโลกนีเราจะสยามพูรู้ทุกหมดทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เราต้องศึกษาจะทำยังไงวิธีกรรมเราต้องดึกศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาอย่างไรที่เป็นหนทางที่จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดท่านให้บาเพญเรื่องจิตตภาวนากำหนดห้ามทำให้จิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบ เป็นหนึ่งแล้วก็นำจิตใจที่ผ่านความสงบนั้นนำมาพิจารณากานกลองไตรทตองด้วยปัญญาให้เห็นอเนจังทุกขังอนัตตาเห็นร่างกายสังขารไม่เที่ยงแท้แน่นอนจากนั้นก็ดูเข้ามาสู่ใจดูใจของเราอีกใจของเรานอนึกคิดเรื่องอะไรใจของเราก็เป็นอเนจังอีกเหมือนกัน เป็นไตรลักษณ์เหมือนกันอันในจังอันทุกขังอนรัตตาเหมือนกันสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเรานะวางกระทั่งใจเถอะนะพอใจของเรามันมั น, มนบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้ทุกข์กายนะมันทุกข์ใจนะบางทีบางอย่างได้ยินเสียงอะไรมาเขาเนินทากาเลเรียกว่าได้ยินสิ่งที่ไม่พึงปรารถนามันทุกข์อยู่ในใจ แต่ร่างกายของเรามีอาหารการบริโภคอุดมสมบูรณ์มีทุกอย่างร่างกายของเราแต่ทำไมจิตจิตใจของเรามันเป็นทุกข์นี่แหละมันทุกข์ใจทุกข์ใจกับทุกข์กายเราต้องดูนะต้องแยกให้ออกอีกอันไหนทุกข์กายอันไหนทุกข์ใจแต่ตามความจริงมันทุกข์แต่ทุกขนะ์กายก็มันออกมาจากใจเหมือนกันบางสิ่งบางอย่าง แต่ว่าทุกทุกใจเนี่ยมันทุกเลึกกว่านะมันทุกเลึกกว่าทุกกายเพราะฉะนั้นต้องดูจะทํำยังไงจึงจะรู้ได้เห็นได้ก็ต้องดูสมาธิเท่านั้นอะ่ะที่จะดูจิตใจของเราในเมื่อจิตใจนิ่งเนี่ยจิตใจสงบแต่ทำยังไงจิตใจของเราจึงจะสงบอันนี้แหะต้องมีหลายวิธีกรรมวิธีการ เดินจุกกรมนะบังนั่งภาวนาบังกำหนดลมหายใจเข้าออกบังโมริกรรุลยุบหนอ่อพองหนออะไรสุดแท้แต่ล้วนแล้วแต่จะทำจิตใจให้สงบทั้งนั้นเหมือนกับคนนอนไม่หลับจะทำยังไงจึงจะนอนหลับบางคนก็ทานยายานอนหลับบางคนก็อ่านหนังสือแล้วก็นอนหลับบางคนก็ ฟังเทศแล้วก็นอนหลับวันนี้จะทำยังไงจึงจะนอนหลับอันนี้ก็เหมือนกันวิธีกรรวิธีการที่จะทำให้จิตใจของรถสงบทาอย่างไงมีหลายวิธีอันนต้องศึกษานะในเมื่อทําจิตใจให้สงบเป็นหนึ่งแล้วนอนหลับพักผ่อนแล้วนะจิตใจเป็นหนึ่งแล้วก็นำมาพิจารณาทางวิปัสสนานะ พิจารณาอะไรอันนี้พิจให้ท่านพิจารณาถึงร่างกายสังขารความเป็นอยู่ของเราในพิจารณาเห็นร่างกายเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายเห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในเห็นคนอื่นเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไปหัวเราะอีกสักวันหนึ่งล่ะเราอาจจะมากกว่าเขาก็ได้อ เพราะนั้นชิงทั้งหลายทั้งปวงความตายมันจะเหมือพากันไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้แต่ว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยออาจจะ แ, กแตกต่างกันอยู่บ้างแต่ว่าความใจขาดจะเหมือนกันทั้งหมดเพราะนั้นในขณะที่เจ็บไข้ได้ปว่วยเราก็เปรียบเทียบคิดมาอองเขาเจ็บเจ็บป่วยแต่อีกชักวันหนึ่งเราก็คงจะไม่แพ้เขา ให้เห็นเมื่อเห็นทับายนอกเสร็จแล้วให้ย้อนกลัมาหาตัวผู้รู้คือใจถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเราจะว่ามันสุขหรือมันทุกข์เห็นอาการอย่างนีน้เห็นเขาเป็นอย่างนี้นมันสุขหรือมันทุกข์เราก็ต้องว่ามันทุกข์ถ้าเราเป็นอย่างนั้นมันทุกข์ไหมทุกข์ถ้ามันทุกข์อย่างนีน้เกิดมาพบหน้าชาหน้าก็เจออีกอย่างนี้นเราต้องการไหม ต้องการปรารถนาไหมถามตนเองถามใจมันคงไม่ต้องการถ้าเกิดมาพบหน้าชาตินาเขทุกนั่นแหละเราจะทํายังไงใจดวงนี้จึงจะรู้แจ้งเห็นจริงจึงจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมัน่นถือมัน่นปล่อยวางที่ใจนั่นแหละหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนาทำคําสอนของพระพุทธเจ้านะท่านให้ดูที่ใจนะคณ า, า, าจารย์ญาติโยมนะปล่อยวางที่ใจ ใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนะเป็นพระริยะเจ้าเป็นพระหรันไม่มาเวียน่หยตายเกิดถ้าว่าเราเออเป็นไม่ได้คิดในจุดนี้นะถึงจะมั่งมีซีสุกล่ำรวยขนาดไหนญาติพี่น้องดีขนาดไหน เ, เงินคำทรัพย์สมบัติอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนฮแต่อีกสักวันหนึ่งเมื่อเราตายไปแล้วก็เกิดอีก อุดมสมบูรณ์อย่างเก่าอีกเพราะใ น, นสงสารเราเรามีกระตายอีกแล้วก็เกิดอีกเกิดอีกพ บ, พบใด้ชาตใดก็เห็นแต่ความแก่ความเจ็บความตายเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านเห็นจุดนี้แหละพระหันธสาวกท่านเห็นจุดนี้แหละท่านบอกถึงจะเกิดมากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติก่อนจะต้องแก่เจ็บตายในที่สุดมันน่าเบื่อนะท่านจึงหาช่องทาง ท่านจึงให้พิจารณาธรรมเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดความเบื่อหน่ายไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมีช่องทางเดียวคือศึกษาทั้งทง่านจิตใจให้จิตใจเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าเรายังมองทางโลกว่ามีความสุขจุดใดจุดหนึ่งมีความสุขอยู่ในโลกเนะี่ย จะไม่เบื่อโลกนะจะไม่นายจากโลกไอจังต้องการมันจะต้องติดยึดในโลกอีกเหมือนกันไอหลวงปู่ล่าท่านยังพูดว่าถ้าหากว่าจิตใจของเรายัางมองมงมองโลกอยู่ว่ามีความสุขในจุดใดจุดหนึ่งเท่าเท่าเม็ดงาขาลิ้น <c ười> ขนาดตลิ้นเดียังเล็กๆอยู่แล้วยังข า, าอีกขาลิ้นอีกเม็ดงาก็ยังเล็กอยู่แล้วนะเม็ดงาขาลิ้นนเยังมีความติดอยู่ในความสุขในการเป็นอยู่ในจุดนั้นนะก็ยังผลทุกไม่ได้นะยังไม่เบื่อหน่ายเต็มที่อถ้าว่าเราเบื่อหน่ายทุกสิ่งทุกอย่างดูแล้วมันหาความสุขได้ที่ไหนอกินอิ่มแล้วก็เป็นยังไงแล้วก็ อีกสักวันหนึ่งอีกไม่นานกันหนอมันต้องระบายออกถ้าไม่ระบายก็ไม่ได้มันกินแล้วท่านนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาเออแล้วก็นี่มันมีอะไรออไปที่ไหนอันไหนคือความสุขมันแปรผันแปรปวนอยู่ตลอดเวลาเนะนี่ยะถ้าคิดดูให้ดีนะถ้าคิดดูตามหลักธรรมคาสอนของพุทธะแล้วนะเราต้องคิดดูให้ดีคิดดูไปตลอด เกิดมาแล้วก็ออมีใช่มีความสุขแต่ไม่เป็นเด็กละ่ะเมื่อแก่ขึ้นมาล่ะและ้วก็ตายละ่ะแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกละ่ะแล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเออมีความสุขพอแก่ขึ้นมาอีกนะแล้วก็ตายละนะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราอยู่ในขณะนี้นะี่อีกสักวันหนึ่งข้างหน้านะเราจะต้องถึงจุดจบเหมือนกับปู่ย่าเหมือนกับปู่ย่าตายายวงศาอาณาญาญาติมิตรสหายของเราพาเดินมานะ่ะ เขาเขาถึงจุดจบอีกสักวันหนึ่งเราก็เป็นท่านเหล่านั้นเหมือนกับท่านเหล่านั้นเนีย่ยนะเพราฉะนั้นพระท่านจึงไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีให้สังสมบุญกุศลไว้เน้ออย่างน้อยไม่พ้นทุกในวัฏสงสารในภพน้ชาตินี้ก่อนอันในสงตินอันในสงทานอันในสงการภาวนาจะเกือ้อกูลหนุนจะตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไป ตายแล้วไม่สู่นะตายแล้วเกิดอีกแน่นอนพบนาชาติหน้ามีจริงอยากจะรู้ให้นั่งภาวนาถ้าตั้งภาวนาแล้วเราจะพิสูจน์ได้ด้วยตนเองร่างกายสังขารในตายแตกลงสู่ดินน้ำลงไปสลายแน่นอนแต่หนูตัวนมามธรรมนั่นนะออกจากร่างไปแล้วเนะี่ยไปตามลําพังนะบุญกระปากจะเป็นผู้พาไปจนะเน่นั่นแหะข่าวนั่นแนหะอัตติอั ต, อตนโนนาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งของตนไม่มีใครที่จะเป็นที่พึ่งได้นอกจากบุญกับบาปบาปมันพึ่งบาปีไปพึ่งได้ยังไงพึ่งความชั่วมีแต่ตกต่ําไปตกนรกหมกไหมมีแต่ความทุกข์จะไปพึ่งอะไรพึ่งพึ่งบาปนะต้องพึ่งบุญนะบุญนี่ยจะทํำยังไงเกิดมาทั้งทีชีวิตได้พบพระพุทธศาสนาให้ประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลไวเนอร์อย่าประมาทเนอนี่แหละ ให้พวกเราท่านทั้งหลายได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะถ้าว่าเล่าไม่ยินดีเออไปการทําบุญทำทานนี่ก็ลราไม่มั่นใจว่าพระนี่บริสุทธิ์ผุดผ่องขนาดไหนเออเอาเถอะเราจะนั่งภาวนาเราจะเดินยืนกลุ่มเราจะรักษาศีลการล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลทางนั้น ไม่จำเป็นจะต้องมีทานอย่างเดียวเอาเถอะถ้ามีทานมีทานนะมีทานเกิดมาพบใดชาติใดเป็นผู้ไม่อดอยากทานเอาเสียสละไปให้โรงพยาบาลโรงเรียนสาธารณประโยชน์ผู้เท่าผู้แกมีเราก็แบ่งปันไปวัดวาศาสานาครูบาอาจารย์คนมีน้ำใจ ถ้าคนมีน้ำใจถ่านว่าเกิดมาพบใดชาติใดจะเป็นผู้ไม่โอดอยากนะแต่ว่าคนขี้หนีทีเดียวไม่จุกไม่รู้จักแบ่งปันไครนะเกิดมาพบใดชาติใดจะเป็นผู้อดอยากท่านว่าเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราเดินตามแนวแถวของพุทธะนะที่พระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวอุบาอาจารยนะ์นั่งยึดตามแนวแถวนี้เหมือนกันนะเพรานั้นพวกเราทุกท่านนะนับว่าเป็นผู้โชคดีที่มาได้มาเกิดใน พึ่งแผ่นดินไทยได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบบัณฑิตนักปราชญาบัณฑิตนักปราชญาเราจะไปถือใครอื่นศีลห้าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านะเราศึกษานะ่ะบัณฑิตนักปราชญาพระพุทธเจ้าสอนยังไงสอนให้รักษาศีลให้ทานภาวนาเนี่ยแหละบัณฑิตนักปรัชญาให้เขาเราเข้าไปศึกษาในจุดนั้น เดี๋ยวไปศึกษากับผู้นั้นผู้นี้ว่าเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ถ้าเผื่อเขาไปทำสิ่งที่มันไม่ดีแล้วก็โอมโหโกรธให้เขาอีกเช้าไปยึดตามแนวแถวของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าล้วยนะศึกษาท่ออไรที่ละเอียดอะไรยิ่งลึกซึ้งเข้าไปแล้วก็ประพฤติปฏิบัติด้วยตามหลักธรรมคำสอนของพุทธนั่นแหละเข้าไปไกลบัณฑิตนักปราชญ์นะ อันรับพรในถนนพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพร